เรื่อผูต้ mm. ต้องมาทาารตัใจ มีอัตมีธรรมมีคิดดังนั้นจึงดังนี้เนี่แต่เดียวเดียวต่ดูนะเมือนระยะลาทีระยะเวลาต่คยกันดูดีเดียวดีวลความดูโทรทัศน์โทรทัศน์หมดเพลินหมดเวลาถึงต่งงานขนาดไหนใจมันชอบใจมันยินดีแต่เหมือนแต่เดียวเดียวเนั้นแต่การสั่งทำนั้นทานใจ เหนื่อเักนื่อยทนื่อยสงบเหนื่สุขเหนื่อคุณาในการสลับรับฟ่งรู้สึกว่ามันมามันเหนื่อยมันเจ็บมันปวดมันจนด่างนั้นตัวท่านผีมีอับมีทำในใจสัวน้อกันกับคนผีจิตวัตถุข้างนอกดูมหาลปเพิ่มเงินต่างๆทำก็ยได้ทนได้ สบายสบางจ ok hết, th van, ิตเบื âu, u, mình, ăng, th thi, ảng, ang, a, ่อพระที่ทางเ่านี้ก็สบายแบบตั้งเบวันเจบคืนหน่อยินห่อยถ่ายหน่อลุกตานไหนนอหลับนานท่านก็ูด้นี่คือท่านมีธรรมะในจิตในใจของท่านพวกเราพอนั่งเข่าฟังเขานิดหน่อยมันก็สบายแา่ทีต่างต่างท้งกาก็เจ็บปวดทางใจก็วุ่นวา มีแต่คิอว่าเรื่องกิเลสของเราเป็นมากมันรบกวนนั่นไม่อยากจะให้เรานี้จากพบจากชักจากความส่งความปึ้ความหยิ่งความเกีียดกับโลกมันเป็นแบบนั้นเพราะเราไวพอใจในการทาดีเยอะกว่างานกิเลสหรือกิเลสเป็นมากมันมาลบกวนในเวลาต่างปวดต่างทำ เวลาดนตรงคนนั่งภาวนามันตัวนี้มักอยากจะมาคนคขู่อยู่ดยแต่เชื่อหลวงมันก็มันมีวันเวลาที่จะซึมไปจากอำนาจของมันมันจะบังคับบังชาอยู่ด้วยเพราะทอะไรไ่อยนึงนหน่อยทางหลบทางดีมันจะขูเอาหวาดพายละสึ้นเคล้าท่านท่านจี๋หน่อยรู้หน่อยเห็นหน่อยยนหม่อยสงบอะไรแต่ก็เชื่อมันวันหน้าตอน ถึงใครทำกันใหมมันคิดไปแบบนั้นวันหน้าพอทำกันไปมันก็มาจะคิดอีกเขียอีกมันเป็นอยู่แบบนี้นความดีทางจิตทางใจจึงมีจะเริยนก้าวหน้าใครไมเชื่อเรื่องของมันต่งหน้าต่างตาฝ่าฟันที่ไม่คิดจะมาทำนะในใจในใจของตัวนี่พอถุัละมันจะเกิดขึ้นขนาดนั้น เราจะมาเชื่อเรื่งของนันเราจะที่จะมานั้ันถึงตอนนี้ผิดตน้ใจของเราผิดเคยมีปัญหาเคยสงสัยาตกออกไปในเห็นจึิงใอาบในทำสว่างสวยไหนนี่อะไรสิจะสงสัยอีกทำไมจนไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้น อะไรเกิดขึ้นเราจะค้นคิดคิดวิจารณ์าหาเวี่ยงของมันเกิดจากไขรับไลความจำวป็นของใจเกิดขึเร็ออกไปแต่เราตั้งใจนั่งอ่างนั้พากันจะทาจริงจังิจเคยส่วนส่วุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันก็ค่อยจะสงบไปย่อนหย้อยุบไปหมก็คนอยหายไป เพราะใจมันมีห่ะสี่อันเดียวใช่ที่นี้ทจมาเรื่องของธรรมเรื่องของโลกมันกบหมดไปเหมือนคนคนเดียวถเรามาอยู่วัดแถวบ้านคุเถิดตรงตนี้ ม, มใครที่จะอยู่แถวเราหนจีจากวัดไปอยู่โน่นทถววัดแล้วก็นเลยนี้นี้จะอยู่บ้านของเราตอนนั้นมีหาที่ทองใจก็ท่านองเดียวกันถ้าใครทำพี่จะมาทำทำใจ อ, อย่างที่เหลือปัญหาสิ่งเยอะเยอะต่างๆนานามั น, านก็ตกออกไปถ้าเราไเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่า น, น, นั้นทางทําแล้วก็ห่างใจไปจิตใจมันมีหน้าที่เกวข้องกับอันใดม <c oughs> ันก็อยู่กับอันนั้นีการที่จะมาธรรมะการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นเรื่องขัาดลอยที่เหลือปัญหา ความสงบของใจเฮรได้ของใจที่มันสงบนั้นไม่ใช่เรื่องข้างนอกยี่มาเกี่ยวข้อเป็นเรื่องของใจเองมันคิดมันจปินคิดค ด, ดูระยะนี้อีกขณะที่ว่างอยู่นี้าการงานอะไรมันก็ไมนน่มี การนอกนั่นก็สงบดีนั่นมาเดชนั่นก่อเกลื่อนอะไรเราแต่เราเทนั้นก่อเกลืตัวของเราเองโดยคิดอย่างนั้นตดังไหนมีความสงบหนความสุขเพราะความเ็มความคิดของจิตของใจนฮ เรากําหนดจิตกําหนดใจลงไปอะไรสิผ่านมาแขหนออกว่ า, า, าตามเราจะมาจิตตามเรื่องเหล่านั้นพุดขึ้นจากใจอย่างนั้นดังนี้แล้วไ ป, นนปจะมาเชื่อมันแต่ที่เจอมาจริงๆมันมีอยู่แต่กาหนดพุทโทอกกาหนดพุทธโทอยู่นั้นหาจิตยังกำห น, น, นดได้จะมาแฝงว่าเรื่องของพุทโทไป ใจก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ข้างนอกจิตใจนั่นอย่างนั้นกาหนดใน่อยวางราบทบริกรรมของตัวถึงทำเทียวทำสอนแล้วก็กาหนดได้เรืยนทำสอนหัว่องเราจะไม่มีอะไรจดเอาไว้นันก็เข้าใจสัมผัสตับใจได้ยินทาืหัวก็รู้ถึงใจ เราก็หนดยู่เรื่อยไปมดไอารมณ์่เรากำหนดเอาไไปยัอไยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอันอื่นมันก็มีโอกาสเวลาที่จะงแล้งนับมนเกดสบความย่ความสุมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับกามันสงบในเรคไปออื่นมาต่อเติมกายมันก็มีกำลง เ๋วไปมาทการทางานอะไรก็สะดวกสบายในเ่องของกายมันสงบายมันไม่โรคภเหยียเดียนมันสึขมันสบาใจที่เหานี้อารมณ์สัมยาที่เหลือปัญหาดุจเกี่ยวมันก็ทานอนเดียวกันแต่พวกเราท่านยังมีเคยเห็นเคยเป็นในใจทีหนี่ ความรักใคร่ใมีความเนใจในมีความยินดีเหรื่องใสอยากอยากทำสมัครความสุขนั้นมันอยู่ที่อื่นไม่ด ไ, นนไนนมมด้อยู่ที่จิตจิตใจทังตัวได้อันนั้นในอันนี้จะมีความสุขหนูคือเรื่องจิตธรรมดาของคนที่เคยศึกษาปฏิบัติธรรมเกิดนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมจรงมีจํานวนน้อย มันมีใครที่จะสนใจเพราะเขาเน่ยเคยทั้ผัดนี่ยเคเห็นความฝึกความดนเ์ของใจในธรรมอ่ะเพราเห็นด่าได้อันนั้นมันมีความสุกได้อันนี้มันมีความฝุกจึงแสวงหาในว่ากลางวันกลงคืนดึกดื่นตก็ไปได้เพราะความด่าได้ของเขามันมีอยู่ในจิตในใจเลยไปแสวงหาบางทีก็ตาย อยู่ตามตอนนั้น ท, งทางก่อนนี้แล้วความด่าดแบบ่แบบายังไม่ได้ตายก่อนต่อนี้ได้มาแล้วจังไนทิ้ง บ, บ้าน้ายก่อนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ในหนาหน้อเสื้อผินแล้วก็ออกอาก า, กาศกันเราได้ยินได้ฟังแต่ผู้ต่างหน้าต่างตาภาวนาละกิเลสโดินจนตายในทางจนคนนั้นรู้สึกอ่าจะหายยากนั่งภาวนาตายไง ที่นั่งก็หาอยากในใจโดยยินมโดฟังกันนี่แสดงว่าเรื่องความยากของมนุษย์เรานั้นอยากในวัตถุมากกว่าอยากในอัตในธรรมในเมือมเ่อยที่ยอมเสียสละชีวิตอุทิศต่อสืบต่อทำให้ต่เรื่องนอกยอมเสียสละเต็ใจ ที่จะไปจะทถึงสิ่งนั้นจะลำบากยากเย็นขนาดไหนก็อึศาพยายามทำเผื่ออะไรสิ่งที่เราทาไปหาเร่องยุ่ยไฉที่เจอมายืงจังแล้วก็ผัอเรื่องของกายไม่เลยเผื่อเรืองใจเราพยามหามาเผื่อบงเรืองรักษาเรื่องของกายส่วนใหญ่ เรื่องใจนั้นไม่เคยมีใครเห็นว่ากเป็นของสําคัญแต่ทางธรรมะที่เจรนาจริงจังแล้วเรื่องของใจมันสําคัญกว่าเรื่องของกายกายนั้นถึงจะอยู่สดวกสบายมีที่อยู่เอออาหรือล้าขนาดไหนมีเสื้อผ้าหนึ่งคน็นสวยงามขนาดไหนมีอาหารตามฤดโภคลบุดเบี้ยขนาดไหน ม alloy, alloy, layout, Israeli, to to ันก็มีความเมียละฮะที่จะทำให้ใจหายจากความเจ็บความตายไปได้หายจากความซึมซึุอย่างหน่อไได้ได้อันนี้มันจะอยากอันไหนมันได้มาก็มีไปชักคราวแล้วก็หายไปอยากได้อันไหนอีกเรื่องนี้มันจึงมีความสุขทัางทั้งสิ่ของนั้น บางแ่นบางคนในหาอีกให้อยู่จนตลอดวันต า, ายก็ไม่หมดแต่ท่านอยากของใจท่านอยากไมหยุดไม่ถอยอ ย, อยาก้นเกดผีในจังหวัดอยากจนเกิดผีในประเทศอยากจนเกิดผี้ข้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนนอิม่มมีพอเป็นทางถือเถื่อไปถงจุดนั้นที่ ตัญหาสมนานาคีแม่น้ำเสนอเดียวัญหาหนมีถึงมันกว้างใหญ่ไพศานจริงจริงจังๆมหาสมุทรทะเลถึงมันจะ้างใดญขนาดไหนก็ยังมีเรือเท้าปถึงสั่งได้มันจะลึกขนาดไหนต่ยังมีอะไรวัดถ้าบว่ามันล็กขนาดนั้นเขาทราบกัน แต่จิตใจของคนยหลืดปัญหาของคนความยากของใจนั้นมันมีอะไรวัดกว้างขนาดไหนมันมีสั่งมีฝามันมากเอาจริงจริงจงจริงมันจึงมนีทางอื่มพอให้ได้อะไรมาก็พอในจิตในใจมันจะยังได้ล่ำไปมันมีรันอื่มันเติมให้หนู่คือจิตใจถูกเนิมไปยืดปัญ ห, หา มันเป็นอยากนั้น น, นั่นจึงมัมีวันสุขวันสบายเพราะความอยากถ้าให้เกิดทุกข์ทำให้ความอยากมันก็หมดทุกข์ทุกในใจอยากอันนั้นอยากอันนี้ในมี น, นมันหมดไปยึดโดง้ง่ายง่ายๆที่เราถ่มออกไปบวมออกไปจากปากของเราเราไม่อยากในเรื่องเหล่านะั้นหมดแมงมันจะมา กลับมาจิ้คนจะม่เหยียบม่ยั่มเราหม่เสียใจเพรเหยียดไปพราเราน่เหียงเหวี่ยงเราหม่อยึดถือเราหน่อยากถ้าหาคนเพลเป็นพลยหรือขอนมือข่าส่งออกไปขนาดหำลายของเราเนี่แต่มีเขามาหยุดออกไปถือไปเสียเราจะเสียใจขนาดไหนเป็นทุกข์ขนาดไหนมันยิ่งมีความเสียงอะไร ความทุกข์ของใจก็เกิดขึ้นแถวนั้นหนึ่คือความอยากนำให้เกิดทุกข์ในด่านของจิตข้งใจไม่ว่าอยากอะไรมันเกิดทุกข์แต่ความอยากนั้นทุกท่านมันก็มีอยู่ในจิตในใจเพราะมันไม่เห็นว่าอยากนั้นมันเป็นภัยเป็นวนให้ทุกข์แต่มันให้ความทุข เราอยากแต่ทำอะไรไม่ได้อยากแค่นั้นกินก็ได้สิ่งนั้นจิ่งนี่นะมันจิบเท่านั้นนะมันก็เลยแย่งหาได้มาเท่าไรความอยากมันก็เหนื่อยความให้ผลบัตรมากมายแต่หาความจุไม่มได้นี่คือบ่านของจิตใจที่เต้นไปในหมุนของโลกมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นแถวแก้วมันจะ สึกสบายมันเกิดในสึกสบายให้หนี่ยงขาหัวมันเก็ดสึกสบายมันก็ดสึกมันสบายให้วมนมีที่ไหนสึกไม่มีที่ไหนสบายเท้าขาตรงนั้นคือมันสบายย่อมกว่ามีความอยากใหม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทําอย่างไรเราถึงจะ ดับความอยากของใจได้ถ้าดับความอยากของใจได้เราจะเย็นจะสบายความดับความอยากของใจนั้นต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติธรรมะถ้าหากไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วความดากนั้นนั้นไม่มีรันเวลาที่จะละถ่อง มีาเวลาที่จะอิ่มพอ <c oughs> ถ้าฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะทิเจอนาธรรมะแก้ไขเรื่ อ, องปัญหาคือความอยากข้องใจนั้นมันเกิดปัญญาขึ้นมาเราอยากไปทํทำไมไดนะ้แล้วมันให้ความสุขความเะดวกแค่ไหนมันจะมาวิจิไชนาท่เจอนา เนี่ยมันทราบตามความเป็นจริงใสิ่งอนนั้นนันก็จะปล่อยวางสิ่งอันนั้นไปก็เพราะว่าสิ่งที่เราอ <c oughs> ยากเราแสวงหาเราแสวงหายึดไม่ถือไม่แตอันนั้นของกูอของกูสิ่งันนั้นมันไม่ทราบแต่เราไปรักไปชอบมันขโมยเข้ า, าไปนั่นก็นั่นก็ไม่ไอวอันนี้ แต่ของของคืออยู่นั้นมันไม่ใช่พูดใครคิดถึงตกไปกับดมือโจรมันกิเป็นของโจรไปแล้วคืงเหล่านั้นแหละนั่นเ็นารเทาความแก่ความตายไปได้มีมากมายขนาดไหนความแก่ความตายนั่นก่อขับไล่มาทุกระยะทุกเวลาทุกวินาทีแล้เมืม่อตายไปแล้ว เป็นที่ลาหงอยหวงแสงหายากยุ่งจนไม่มีโอกาสเวลาหาความสนุกทางจิตทางใจได้มันเป็นอย่างไรมันติดตามไปไหมขนขวายหอเหนอไปได้ไหมนะี่คือทางที่ จ, ทจะเมาจะจะแก้ปัญหาความอยากเพราะพยานหลักฐานมันมีอยู่แล้วต้นดาดเดิม ใโลกคนอยู่เขาล้มเหลวหมนเหวงยึดถือเหมือนเรานั้นเขาตากันไปให้เราเห็นเขาขวงเงินทางบานส่องคือเขาแสงหามาได้เป็นอ่างไรเห็นใครเขาหอบเหนื่อตไหมถ้าหอเพื่อยเตได้เชื่อว่าพวกไว้ใีเห็นดินดึกพราพวกห็กเน่ยเคยมีคนจับจองหิงเหวงเอาไว้ แต่เขาเหล่านั้นหาผิวหาขามไปไม่ได้จึงเหลืออยู่เราก็ทํางานเดียวกันกับเขาจะนี้เหงายขนาดไหนมันต้องมีโอกาสเวลาที่จะห่อผิวไปได้แม่ขนส่นเดียวมันต้องมีทางที่จะเอาไปได้ไม่ว่าจะวัตถุหนอกตัววัตถุในตัวมันก็เอาไปไม่ได้เราจะไปเลืงไหลยยึมั่นเชื่อมันมันมีโอกาส ที่จะพิจารณาหาทางแกไขหาใจสงบได้อย่างไรความกินมันมีแต่เราพิสูจน์อยู่อย่างนั้นทำไมจึงไปเล่อนหลงไส่ฝันเมื่อด บ, บอดตลอดเวลาเราจะต้องตรวจตามที่จะมาหาสาะความกินข้ามานเพื่อหาใจขับไล่ความอยากออกไปถ้ามันเห็นตามตจรงกินแต่จาก ในจิดในใจมันตอยมันหนืนน่หาพอมันเห็น้เหนื่อยเห็นมันจึงหาตามหาความยากคือมันเหนื่อยพอในใจได้เท่าไหร่นั้นก็เหนื่พอเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมเราต้มงิจเจนาไปที่เยนาไ ป, นาไปจนปหรู้แจ้ง นนนนนนในนั้นในสิ่งเห่านั้นการเป็นจริงของมันใจนั้นจะบริสุทธิ์หลุดออกไปจากโฉมมุดโฉมมุดต่างๆที่เราเคยยึดถือนั้นเราจะทราบดีว่ามันมาถึงแค่นี้ระยะนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นโฉมมุดอดีกเรียกว่าวรรตุทธ์จนอย่างไรควาบริสุทธิ์ของใจนั้นมันสะอากมันเขียวใจ มันจะโยนเหี่บบบใดมันไม่เกี่ยวกับสมัติท่านจึงบอกว่าบริบสุทธิ์อยู่ตลอดการจะเข้าที่ไม่เข้าที่ไม่มีปัญหายกตัวอย่างพระพาหิยะที่ถูกโยนผิดตายในระยะที่ไปแสดงหาค่ามาบวกท่านไม่เห็นเข้าที่เข้าทางอะไรจิตใจทบริสุทธิ์นั้นมันบริสุทิอยู่ตลอดการไม่มีอะไรที่จะมาโเกี่ยว ตายแบบนั้นถ้าเป็เราท่านธรรมดาก็ถือว่าตายหงายตายหา่างตายเป็นอับปามงคลแต่ภาลังหันตัวจิตชี้เล่นั้นถ้าหนาูถืออย่างนั้นของจิตใจบริสุทธิ์จะตายแบบไหนอย่างไรนั้นก็บริสุทธิ์อยู่ตลอดวันตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นไปเพืพบชาติเพื่ี้เล่ตันหาอีกนี่คือความบริสุทธิ์ของใจ การตัดขาดจากความอยบกอยู่ตรง น, นี้ความอยากตายตรง น, นี้ความอยาเมื่อมีความอยบทุกวันจะเกิดมาจากที่ไหนทุกวันเกิดขึ้นมาจากสมุ ท, ทัยคือความอยบของใจถ้าจริงเว่าเหตุการณ์ที่เจาหาสาเหตุของมันมันทําไมจริงเหรอในวันเวลาเพียงพอบริบูรณให้เราจะต้องตอบ ดูจิตใจของเราว่ามันอยากทําไมได้มาแล้วมันให้สุดเใหดทุกอย่างไรเนื้อเวลาอยากอยู่นั้นก็เหมือนันกับคนหิวเป็นอะไรนั่นก็เนื้อมันจะ อ, อ, อ, อร่อยอร่อยมีรสมีชาตหมดแต่คนที่อิ่มแล้วถึงอาหารจะจ้ำเถื่อจ้ำจ้ำอยู่รสชากิขอมันก็ยั ง, งรสชาตตามธรรมาดาอยู่คนอิ่มนั้น ในนี่อย่างอีกเขาจะหยิบยกหนีไปที่ไหนในเสียใจเพราะเราอื่นแล้วแต่เวลาเรากําลังทานอยู่หิวอยู่กําลังหิวกําลังทานอยู่อย่างนั้นมีคนอื่นก็จะหยิบยกออกไปมันเสียใจนางที่อาจเกิดข่าวซันถึงความตายกันได้พอกํากลังหิวติดหิวข่าวเขาหูมันเป็น มันมีแบบนั้นนี่คือความหูมันมีมันอยากนี่การปฏิบัติตามอักขธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเสมอนันเราจึงเดือดดือดในการพิ่จะนะในธรรมะธรรมโมของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เมื่อความตายมาถึงเข้าทันวามตุมาคือมาตัดรอนในเวลาที่ต่างหน้าต่างตาพปฏิบัติ หาตายไปท้งๆที่หยุดใจยังไมหมดเรื่องความอยากคือยังไม่หมดที่เลสปัญหาตายไประยะนั้นฮือเสียดายแถมีชีวิตอยู่ต่อไปคงจะได้กต่ทำมันเพิ่ละทอนที่เลสปัญหาได้มากกว่านี้ความตายมาถึงเข้าแล้วก็เลยได้แย่ฉนี้เลยเสียใจเสียดายมีความอยาของเรา ที่ยังไม่เข้าขั้นยินม้รรมดก็ทำนางเดียวกันกราไม่อยากตายด้ยวยกันเท่านั้นความตายนี้ไม่มีใครต่างการไม่มีใครป่าชนาถึงเข้าของมีค่าขนาดไหนขนาดตายร่มเบ่่ยลงไปไม่สบายหนักเข้าเราสามารถเอาของสิ่นั้นนะ คือดูดซึมดามารักษาายของเราไม่เห็นใจยอมเสียใจเพราะส้นาชีวิตมีคุณ่ากว่าแต่เมื่อรักษาไม่หายมันตายไปเราก็เสียใจเพราะเรางมีความอยากอยู่มีความอยากของใจที่ไม่อยากตายนั้นมันหมายความว่า อยากจะทำอันนั้นอยากจะทำอันนี้จึงที่ยังต้องการยังมีอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นมันจริงไม่อยากจะตายไปแต่ถ้าเรียรเจ้าคือบัณฑิตพุทธถึงที่สุดแล้วท่านไม่มีอะไรอยากจะตายไปในขณะนี้ระยะนี้วันนี้เวลา น, นี้ท่านจะมีอะไร คือจะยิ่งเกลียดและเสียใจเพาทำนความอากของท่านเหนกันกับคนทานอู่แล้วคนอื่นจะยกจะยกของนั้นหนีท่านก็มีความเสียดายท่านก็มีความเสียใจการขาดไล่ความยากจะต้องอาศัยควาจะต้องอาศัยธรรมจะต้องคิดเจนาให้แยบคา เราไม่อยากตายมันก็เป็นทุกข์เพราะความตายมันมีอยู่เมื่อมาถึงตัวเข้าไม่อยากตายแล้วนี้ันทันขนาดไหนมันก็มือเห็นใจของคนที่ไม่อยากตายถึงเวลาเข้ามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นความตายนี้เป็นของเี่ยงเที่ยงแน่นอนความเป็นอยู่ในนี้แน่นอนเท่าไรคุยต้นอยู่ ฝึกกันอยู่เชื่มกันอยู่เยอะเกาะได้ยินข่าวอ่ะกลับไปบ้านเป็นอย่างนั้นลับไปนั่นเป็นอย่างนี้นั่นได้ยมมิ น, น, น, นกันอยู่บอกอยู่เพื่อความไม่แน่นอนขอความเป็นอยู่แต่ความตายนั้นมันแน่นอนโดยการทางนั้นก่อนจะตายเราจะต้องแก้ไขจิตใจของเราแสวงหาคุณค่าของการเออริดเอาไว้ เพื่อการทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเพื่อจะได้เป็นมิตรใเป็นเสด็จในภบชาติต่อไปหนุ่มนายทุ้งใจที่ยังไม่ถึงสั่งสายังไม่ถึงดีมุตที่สุดของภบชาติเราจะต้องอาศัยบุญกันที่ทำเอาไว้เป็นผีนำพาไป พบชาตต่างๆถึงเราจะไม่เชื่อปฏิเสธขนาดไหนก็ปฏิเสธได้เถอละลายตาแล้วเกิดหรือไม่ถ้ายังมี่เหลตปัญหาอาวิชาอุปาทานจำอยู่ในจิตในใจแล้วไม่มีทางที่จะไม่เกิดอีกจะต้องเกิดอีกยุตวันยังค่ำ ถ้าหาหมดเวียนกรรมยุเหลืดปัญหาแล้วท่านผู้โพสต์ปฏิบัติจะต้องทราบเองว่าบทษชาจะมีอีกไหมถ้ายังเฉงใสยอยู่ยังนิ้วมันหมดความสฉงใสเราจะไปที่ไหนเนี่ยพระนิพพานถึงคนผั่วไปต่างการท่านก็ไม่อยากไปอยากเป็นพออาาระอาหารหันอรหันต์ท่านก็ไม่ดากจนเพราะเหตุใดพระท่าน เห็นธรรมแล้วอยู่นี่เราเข้าธแล้วถ้าอยากไปก็ยังไม่ถึงถ้าอยากเป็นก็ยังไม่เป็นถึงอยากเป็นถ้าเป็นแล้วเห็นแล้วไม่ก็ไหนหาในความอยากอะไรอีกหมดความสงสัยในจิตในใจอยู่ไปจะมีอะไร ด, ดีวิเศษขึ้นอีกจะมีการละการถอนอะไรอีกไหมมันหมด เมื่อมันหมดอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยแต่การปฏิบัติตามธรรมยังมีฐานมีขันอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเองก่อนมีการทำอย่าบวิหารธรรมคือทำดูในฐานในขันให้สุขให้สบายพอเหมาะพอควรไม่โตแบ่หมดยุ่งเหยือปัญหาหมดความอยากแล้วจะทาอะไรแต่ทำร่ำไปตัวอย่อย่างไรก็วอยู่แบบ ไม่มีจิตมีใจไม่เป็นแบบนั้นถ้เป็นแบบนั้นก็อรหันตอนัตตาอรหันต์บ้าขาดความสัมพัไม่ต้องนึ่งต้อง่กเพราะที่สิงทุอย่างเนอนัตตาขเ็นไปแบบนั้นมันก็ผิดจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทำเหมาแฝงให้คนมันเลินเ่มหลงทางขว ละเอียดละอวเขพาไปหิดใจละเอียดหยุดใจรู้ทำเท่าไรก็ยิงรอบค้อในการปฏิบัติทางโลกทางธรรมไม่ใช่ว่ารู้แต่จเรื่องของธรรมถ่ายเดียวเรื่องโลกไม่รู้รู้แต่ริงอะเร็วไปถูกรู้แจ้งเรื่องโลกในเวลาโลกนม่โลกนม้ไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะควรจะปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติให้เหมาะสม ในจิดในใจทั้งท่านแต่จะให้ถูกกับจิเหลศของคนทั่วไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิเหลศของคนมันมเหมือนกันบางคนเขาชอบเขาก็ส่องสอนโยมโยบางคนก็ไม่ชอบเขาก็จีบเงินทามันเป็นธรรมดาเรื่องเหลานี้จะเอาเรื่องของคนรับถือคนชอบ เป็นเกณนได้จะเอาเลื่องของคนต้องมนีนทานเป็นเจนฑ์ได้สิ่งที่เป็นหลักเป็นเกนฑก็คือผู้ประพฤาปฏิบัตินั้นท่านจะอยู่แบบไหนทำอย่างไรยังจะหมะกับโลกกับธรรมในใจของท่านท่านประพฤติดูรื้เฉพาะตัวของท่านอยู่อย่างนั้นถ้ามาเป็นโลกกับยุค ท, ทีนั้นรู้เส้นอยาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการแรปรสภาพและดับไปไม่ว่าอดาาาีตอนาคตหรือปัจจุบันมันเป็นไป อ, อยู่อย่างนั้นคนจะยึดมั่นถือมัน่นมันก็ไม่ฟังเสียงใครคนจะขับไล่เร่องไรนั้นให้ตออกไปมันก็ไม่เสียใจมันมีอยู่ตามเรื่องของมันคือแก้ไขจิตใจของท่าน ให้มดความยึดมั่นผืดมั่นให้เห็นตามเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติทัญญาจะสงจิตใจต้นตัวที่ยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ที่เจนหาสัญหลักเกณฑ์้หมันจริงจังอากอะไรมันให้ทุกข์หรือมันให้สุขอย่างไรโดยเป็นใดนั่นให้ทุกข์ันไม่ให้สุขสุขประสุขความหลง หลาใครเรามีอำ น, นาจบาดเจ็นะแ้าคุณจะบังคับบัญชาสิ่งเหล่านั้นให่เป็นส่ ง, สงาอยู่ได้ไม่มีใครเราในจากรันไม่เป จ, จากเราสิ่งทีเ่เรรักเราเห็เหวเราเหวเห็นเราก็หัวพุ่งไปไม่ได้แต่ทาไมจิตใจจึงยึดมั่นถัอมัเน็นไม่มีวัน ม, มีเวลาที่จะปล่อยวางเกิดทุกข์เกิดทุกข์ ในตัวของตัวยิ่งเกี่ยวกับสิ่งเหมือนนั้นเขาเป็นอย่างไรยืดเป็นบ้าใจเฉพาะเราไป็นห่วไปจห่วยึดใจถือเขามันจะต้องยกคิดคิดิติแจ erna แฝงจิตของตัวมนอย่างนั้นจะไม่มีทางที่จะแก้ไขเัาได้ความเฉลิงสสยข่องจิตของใจออกไปนี่คือการนิติแจ e r n การชำระใจคนที่สำระใจของตัวอยู่เรื่อยนิติแจนะ การทำเนียบสื่อพระพุทธเจ้าสอนใส่รู้ใส่ใจเป็นจริงในจิตของท่านคนนั้นแหละมีความสงบทั้งกางวันกลางคืนยืนเดหนนั่รนไม่มีทุกข์มีทุกอะไรถ้งไม่มีเสาคองเงินทองท่านก็อยู่สุขสบายถึงตายท่านก็ตายสุขไม่ตายทุกข์ตายทุกอย่างเราดันั้นความปุขส่วนนี้จะ มีขึ้นก็เพราะอาศัยพวกเราท่านสร้างหน้าสร้างตาสำหรัที่เจรนาอัดทำไม่ใช่เราอยู่ๆก็จะโคขึ้นเกิดขึ้ น, นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยาการแตะทำมันจึงจะเกิดขึ้นเหมือ น, นกันกับบ้านเชือ่อสติสัจน า, าที่เราพักผ้าอาศัยก็อาศัยสร้างขึ้นไม่ใช่มันโคขึ้นพุทธขึ้น จะสร้างขึ้นได้เราจะอยู่อาศัยระดวกสบายฝนตกฝนลงแล้วก็ไม่เจี๊ยบจะนั่งจะนอนก็สุขสบายแดดออกก็ also, พอพักพออักอาศัยได้นี่คือที่พักท้องใจที่พักของใจกัทํารมเนียโกรกันฉะนั้นขอทุกท่านจงรีกบกระทํำบ น, นเพ็ญเพราะธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในใจในจิตของคน ตำยาของทรรมะมันอยู่กับตำหลับตำยาอยู่กับกระดาษแต่ตัวธรรมะจริงจังอยู่ในายในใจของเราพยายามถากเทียนคิดวิจัยนาศึกสาปฏิบัติคนนั้นแหละอยู่ในโลกจ็ได้รับได้เสียเขามีกาไรในชีวทตเขาเป็นทุกข์ปอยรูปปอเสียงท่านเน่เป็นทุกข์ ถเขาจะสังเวยเส้นทำใจเมื่อในตื่นเขาจะนิ้งท่าทใจเม่อาโศเสียใจอะไรความจริงเป็นอย่างไรท่านท้าท่านเข้าใจในท่านนี่คือการสาธุปฏิบัติกามอัดทำอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนมีคุณ่าสารสิงอย่างนี้แต่คนมเห็นในตืนก็พอใจว่ สุขหร่ดบบะเป็นใครไมได้จะสุขจสบายอย่างนั้นเพราะในวัตถุอะไรแลาไม่เคยเห็นในใจของเราเราโสดใจแบบคนอื่นจะเหมือนเราหมดไม่ได้โลกอันนี้สัตทะเลเคยเห็นบกเคยเห็นวกเขาจะเสื่อมมันฟังมันไม่เชื่อจัตวกเบเคยเห็นทะเลก็เหมือนกัน แต่มันนีถูมีหูมีตาถูกเคยไปเคยมานะมันก็มีบกมันก็มีขืดสูงขีดต่ำขีดรุ่มขีดดอนมันมีหนี่จิตใจของพวกเราท่านถ้าปฏิบัติกามอำตามธรรมแล้วความสุขของโลกจิตเขาติดข้องยุ่งเกี่ยวเปนอย่างไรความสุขของธรรมที่เราประสบพบเห็นโดยการกระทําบนเทลินสงบละทอนกิเลสเป็นอย่างไรนั้นจะกระทัพ ใจได้ยาอะไรมีคุณค่าสาระสูงกว่ากันไม่มีอะไรจะสุดอย่างไรนั้นจะท้าบในจิตในใจทังตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติเห็นสัิขติโกคือเห็นเองเป็นปัิจะตังเฉพาะใจทั้งตัวส า, า, า, าทุกคนตัางหน้าตัางตาประพฤติปฏิบัติ ในแต่ละวันเวลาจะเป็นเหมือนสมาธิเลศออกจากจิตจากใจทั้งตนอยู่ทุกวันทุกเวลาความสุขความสบายด้วยจิตใจที่มีคุณค่าอย่างที่อธิบายมานี้จะเป็นสมบัติของตนอยาต้องไปหาความสุขที่อื่นเพราะสุขในใจมีเพียงเดเพียงพอแล้วนี่คือการปฏิบัติธรรมะละถอนกิเลสตัญหา มีความสุขความสบายอยู่ตลอดการตลอดเวลาไม่มีสุขอื่นแต่เหนือจากความฝุกของความสงบของจิตดันั้นขอทุกท่านจงตั้งหน้าตั้งตาต่อทุกปฏิบัติเนื่อทุกท่านพยายามทำารชั่วบำเพ็นดีให้เกิดมีในกายร่าจาจใจของตนคนนั้นก่อนนับันนั เวลาจิตใจจะเล่เเกนกาน้าในความสุขทางพาะศาสนาการอธิบายธรรมนี่ถือวพอสมควรสี่เวลาขอุปติเพียงแค่นี้เอวัน